ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องดื้อจนตายด้านโดยสมณะทราบซึ้งสิริเดโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่19พฤษภาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ พอดีมีผู้เขียนถามมาบอกว่าขอเรียนถามการแก้ไขความดือ้อวงเล็บแม้แต่ดื้อในเรื่องที่ดีวงเล็บปิดและความเอาแต่ใจตัวเองจะต้องเริ่มต้นปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความดือ้อนะความดือ้อจริงๆจะว่าไปก็ก็จะเอาแต่ใจตัวเองนั่นแหละ มันเหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ตอนนี้มันจะต่างกันตรงที่เอาใจใจตัวเองโดยเราคิดว่าดีเราคิดว่าถูกต้องหรือพูดง่ายว่าดื้อในทางที่ดีเนี่ยนะซึ่งเราเราเราเชื่อว่าอันนี้ดีแล้ะอันนี้ถูกแล้วเราเราก็เลยดือ้อที่เราจะทำอย่างนั้นถ้าสมมติอันนั้นดีจริงอันนั้นถูกต้องจริงดื้อย่างนี้เนี่ย พ่อท่านก็ใช้คำว่ายืนหยัดนะถือว่าเป็นการยืนหยัดทั้งๆ ท, ที่บางทีใครต่อใครก็ไม่เห็นด้วยเลยหรือเราอยู่คนเดียวอะ่ะแต่เรารู้ว่าอย่างเนี้ยดีที่สุดและ้ะถูกต้องที่สุดละไม่มีอะไรดีกว่านี้ละก็เลยต้องพยายามยืนหยัดคือรักษาความดีจริงอันเนี้ยเอาไว้ถ้าดื้ออย่างเนี้ยเขาเรียกว่ายืนหยัด แต่ถ้าคราวนี้ไอ้ที่เราดือ้อเราคิดว่ามันดีเราคิดว่ามันถูกต้องเนี่ยแต่ปรากฏว่าจริงๆมันไม่ถูกไงจริงๆแล้วมันผิดพลาดแต่เราเราต่างหากเราคิดว่าดีแล้วปรากฏว่าเราก็อยู่ในหมู่กลุ่มที่พูดง่ายว่าเป็นหมูมิตร ด, ดีสหายดีซะด้วยนะเสร็จแล้วหมูมิตร ด, ดีสหายดีเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเราอะ่ะเขาว่าอย่างอย่าง อีกอย่างหนึ่งดีกว่าอย่างที่เรายึดเอาไว้เพราะนั้นก็เลยปรากฏว่าว่าถ้าอย่างเงี้ยเราอยู่ในหมู่กลุ่มที่ดีแล้วแล้ว เ, เราดื้อที่จะเอาตามใจเราอย่างนั้นให้ได้ทั้งๆที่เราคิดว่ามันดีเราคิดว่ามันถูกต้องแต่หมู่กลุ่มนี้เป็นหมู่กลุ่มที่ดีแล้วหมู่กลุ่มที่ดีเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเราดูนะเสียงส่วนรวมนะเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งเราก็ยอมรับอยู่ว่าหมู่กลุ่มนี้ดีมีคุณภาพพูดง่ายมีสติปัญญาหรือว่ามีไหวพริบมีปฏิภาณมีอะไรต่างๆก็ดีไม่แพ้เราอะแต่เรายังยึดอยู่ว่าอย่างเนี้ยอย่างที่เราคิดเนี่ยมันดีกว่ามันถูกต้องกว่าแล้วเราก็จะคราวนี้เราจะดื้อดันทุลังที่จะเอาดีอย่างที่เราเนี่ยคิดหรือว่าเราเชื่อเนี่ยให้ได้ ถ้าอย่างนี้เขาเนี้ยไม่เรียกว่ายืนหยัดแนละ้วเรียกว่าอะไรดันทุลังดันทุลังนะ่มันเป็นสำนวนแรงแรงอ่าดื้อด้านนี่ก็สำนวนแรงแรงมันมีมันมีอีกคำหนึง่งที่พ่อท่านใช้นะอาตมาก็ลืมๆไปแล้วละ่ะ จำได้แต่อีกคำหนึ่งก็คือมันจะต้องมีการยืดหยุ่น <c oughs> น่าจะต้องมีการยืดหยุ่นเพราะเราอยู่ในหมู่กลุ่มที่ดีแล้วอาตมาเคยบอกบางคนว่าก็ในเมื่อเราอยู่หมู่กลุ่มที่ดีเสร็จแล้วเราเองเนี่ยเราก็คิดว่าเราเนี่ยคิดดีคิดถูกต้องละแล้วทำไมเนี่ยเราไม่ถามตัวเองบ้างตั้งเป็นคำถามขึ้นมาว่า แล้วอย่างเงี้ยคนอื่นน่ะเขาจะไม่คิดดีเขาจะไม่คิดถูกต้องได้บ้างหรือว่ามันควรจะตั้งคําถามนี้ขึ้นมาถ้าตั้งคําถามนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่ปักมั่นเกินไปหรือไม่คิดจะเอาแต่ใจเราจนเกินไปยิ่งถ้าหมู่กลุ่มนี้เป็นหมู่กลุ่มที่ดีแล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เอาอย่างนั้นแม้ว่าเราเองเนี่ยเราคิดว่าดีเนี่ยก็ตามนะ แต่อย่างน้อยอ่ะหมู่กลุ่มที่ดีแล้วที่เขาคิดเขาพิจารณาหรือเขาตัดสินอะไรขึ้นมาเอาละต่อให้ดีน้อยกว่าเราแต่ก็คงไม่ถึงกับผิดอะไรนะคงไม่ถึงกับผิดพลาดอะไรไปเยอะแยะมากมายแน่นอนแต่นี่นี่ขนาดยกไว้ให้นะว่าต่อให้ดีน้อยกว่าที่เราคิดก็ตามแต่เชื่อเหออว่ายังไงก็ ไม่ไม่เลวไม่โอ้โหอะไรอะเสื่อมซามอะไรจนเกินไปนักแน่นอนเพราะหมู่กลุ่มนี้เป็นหมู่กลุ่มที่ดีอ่าแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติมาหรือว่ามีประสบการณ์มาเหมือนกันถ้าอย่างเงี้ยมันน่าจะยกให้หมู่กลุ่มไม่ควรที่จะไปดื้อด่านดันทุลังอะไรนะแล้วไม่ควรที่จะไปยืนหยัดแบบแบบที่เราคิดว่าดีแล้ว นันคําว่ายืนหยัดเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอยู่ในสภาพของหมู่กลุ่มที่เราคิดว่า อ, อยังไม่ดีพอหมู่กลุ่มที่ยังไม่ดีพอนะเราก็เลยแบบว่ามันต้องยืนหยัดเพื่อที่จะทําสิ่งดีเนี่ยจนกว่าเขาจะเข้าใจจนกว่าเขาจะรู้แล้วจนกว่าเขาเนี่ยจะตามมาได้มันก็เลยจะต้องมีการยืนหยัดเนี่ยเกิดขึ้น ถ้าไม่มีการยืนหยัดอย่างนี้เกิดขึ้นสิ่งดีๆต่างๆในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้แล้วก็ไม่มีตัวอย่างที่จะทาให้คนอื่นเห็นจริงได้ว่าเนี่ยดีจริงๆแล้วคนเราก็ทาได้จริงๆแบบนี้เพราะนั้นอันเนี้ยจะต้องมีเหมือนกันเพียงแต่บอกแล้วว่าเราจะต้องประมาณให้ดีว่าตอนนี้เราอยู่กับใครอยู่กับหมู่กลุ่มไหน เอถ้าเราประมาณชัดแล้วว่าหมู่กลุ่มนี้อสมมุติเราไปอยู่กลุ่มที่เขาไม่มีศีลอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เราเนี่ยพยายามถือศีลพยายามปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเราไปอยู่ในหมู่กลุ่มของคนที่เขายังไม่ค่อยจะถือศีลเนะ่ะเขาอาจจะรู้เรื่องศีลแต่เขาไม่ไม่ค่อยถือปฏิบัติอ้าวไปอยู่อย่างเงี้ยเราเองบางทีเราก็ต้องยืนหยัดเนี่ะก็ต้องพยายามทําให้ได้ แต่ก็จะต้องดูให้ประมาณให้ดีถ้าประมาณไม่ดีเนี่ยมันค้านแย้งกับเขามากเขายอมรับไม่ได้จริงๆอ้าวเขาทําร้ายเราก็ได้หรือเขาเกลียดชังเราไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะต้องประมาณดีเหมือนทุกวันเนี้ยอโศกเนี่ยนะก็จะต้องประมาณดีนะพ่อท่านเนี่ยก็พยายามประมาณมาเรื่อยไป ย, ายาประมาณมาเรื่อยบางทีจะเทศจะสอนคนเนี่ยท่านก็ยังต้องประมาณเลยนะว่าขนาดนี้ขนาดนี้ ท่านก็เอาเข้มข้นที่สุดแต่เข้มข้นจนขนาดที่เรียกว่าเขายังไงเขาฟังแล้วถ้าแม้ว่าเขาจะเกิดไม่ชอบใจบ้างหรืออะไรบ้างก็ตามแต่เขาเนี่ยไม่ถึงกับจะโอ้โหถึงกับมาทำร้ายเราเลยเนี่ยท่านจะต้องประมาณตรงนี้ให้ดีเพราะว่าท่านเป็นผู้นำของหมู่กลุ่มเพราะว่าถ้าท่านประมาณไม่ดีเนี่ยพังเลยนะถ้าพูดอะไรไปแม้พูดสิ่งที่ดี พูดสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมะก็ตามแต่ถ้าคนอื่นเขารับไม่ได้เขายอมรับไม่ได้เขาไม่เข้าใจแทนที่เขาจะคิดว่าดีนี่นะเขาคิดเป็นความเลวร้วายเลยนะแล้วเขาก็จะมาทําลายเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ระดับผู้นําผู้ที่จะเป็นหัวหน้าของหมู่กลุ่มอะไรต่างๆจะต้องมีสับริษธรรมตรงเนี้ยในการที่จะประมาณให้ดีแล้วก็จะต้องยืนหยัดด้วยนะ เพราะว่าถ้าท่านยืนหยัดไม่ไม่ได้เนี่ยท่านก็จะสร้างหมู่กลุ่มขึ้นมาไม่สำเร็จมอนถึงบอกว่าหลายอย่างที่บางทีเนี่ยดูดูแล้วมันก็เหมือนกับถ้าใครไม่ไม่แยกแยะให้ดีจะไม่เข้าใจเลยนะบอกเอา้าวก็เราก็ว่าดีแล้วถูกแล้วแล้วทำไมขราวนี้เนี่ยเอาให้เรายอมเอาทำไมอย่างนั้นแหะแต่เดี๋ยวอีกคราวหนึ่งก็เอาไม่ได้ เราต้องอยืนหยัดเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวท ร, ร ม, มากก็ศูนย์จากโลกนี่หมดมันมันฟังแล้วบางทีมันมันเหมือนกับย้อนไปย้อนมากลับไปกลับมาแต่สภาพความเป็นจริงถ้าใครเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะไม่สงสัยหรอกโดยเฉพาะเอาละไม่ต้องไปพูดถึงหมู่กลุ่มเอาเฉพาะบุคคลสองคนเราเกิดมีความคิดที่ไม่เหมือนกับ อีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้อีกคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> คุณลองมาเปรียบคุณใช้วิธีการเปรียบก็ได้เอาเปรียบคุณวุธกับคุณวุธคุณวุฒธนี่หมายถึงคุณคุณวุธทางทางทางธรรมะนะไม่ใช่คุณวุฒธทางโลกเปรียบคุณอาวุธทางธรรมเนี่ยอ่าเขาศึกษาธรรมะมานานแค่ไหนแล้วนะกับเราเราศึกษาธรรมะมานานแค่ไหนอันนี้เขาเรียกว่าดูอะไร ดูเพดานบินใครบินมาขนาดไหนแล้วอเสร็จหน้าหนึ่งนะเอาสองอาจจะดูเรื่องอคุณวุฒิอเรื่องวัยวุฒิก็ได้เอาว่าโอ้โหเขาอะไรอะ่ะมีประสบการณ์ชีวิตมีความรู้ในเรื่องชีวิตเนี่ยเอาอาจจะมากกว่าเราเงี้ยเราอาจจะมีน้อยกว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบนะคุณเอาอันเดียวมาตัดสินไม่ได้นะ บางทีบางคนอายุน้อยกว่าแต่เข้าใจธรรมะได้ได้มากกว่าก็ได้แต่นี้พูดถึงองค์ประกอบว่าเราเอามาพิจารณาดูหลายๆแงม่มุมที่จะทําให้เราเนี่ยบางทีเลิกที่จะดื้อรัน้นหรือเลิกที่จะเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมันถึงจะบางทีมันถึงจะมีเหตุผลที่จะยอมได้นะหรือเนี่ยเขาถือศีลมา ก, ก่อนเราเนี่ยเขามี วายวุฒ์ uh, มากกว่าเราหรือคุณวุฒิคุณวุฒินี่หมายถึงว่าเขามีศีลสูงกว่าเราสูงกว่านี่หมายถึงว่าเราพบเห็นมาเนี่ยในใ น, ในการเห็นชีวิตประจําวันต่างๆปรากฏว่าในการปฏิบัติเนี่ยกายกรรมกิจกรรมอะไรต่างๆของเขาที่เราเห็นออกมาจากมโนกรรมเนี่ยเราเห็นเลยเราสัมผัสได้ว่าโอ้โหเขา มีมรรคผลมากกว่าเราอันเนี้ยเนี่ยหลายหลายอย่างเนี่ยเรามาประกอบเข้าประกอบเข้าเสร็จแล้วตอนนี้พอเราเกิดไปตัดสินเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ยืนหยัดว่าเนี่ยเราถูกแน่นอนเราถูกแน่นอนเราดีกว่าแน่นอนแต่ปรากฏว่าจากที่เราเทียบเทียบเทียบแล้วนะโอ้โหเขาก็ไม่โง่นะเขาก็มีเขาก็มีสติปัญญาเขาก็ฉเฉลียวฉลาดดีนะแล้ว เราเองเรายังคิดว่าแหมเร า, ายังคิดได้เลยอย่างงี้ได้ดีได้ถูกต้องเสร็จแล้วเขาเองเนี่ยซึ่งวัดภูมิปัญญาวัดฐานะวัดอะไรต่างๆแล้วอูเขาไม่แพ้อะไรเราเลยเผลอๆไอ้ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยองค์ประกอบเขาเหนือกว่าเราด้วยซ้ำไปยิ่งอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่าเราดีแล้วเราถูกต้องแล้วแล้วเราจะเอาตามใจเราเนี่ย อย่างน้อยๆมันน่าจะคิดแล้วนะเอ้แง่มูมอะไรต่างๆนี่เขาดีกว่าเรานะเขาเหนือกว่าเรานะแล้วเรายัางคิดออกเนี่ยเรายัางคิดได้เอ๊ะทำไมเขาจะคิดไม่ได้เชือื้อในเมื่อเขาเนี่ยมีภูมิมีอะไรต่างๆสูงกว่าเราอันนี้มันจะพอจะยับยั้งไอ้ความดื้อของเราหรือว่าความจะเอาตามใจของเราเนี่ยลงมาได้ถ้าเราใช้การพิจารณาให้ ให้เห็นแง่บุมให้เห็นเหตุผลต่างๆงมันจะช่วยได้จะทำให้เราเนี่ยลดทิฐิมานะของเราลงนะตัวดื้อพวกนเนี้ยเนี่ยจริงๆก็คือตัวอัตตามานะนั่นเองนะตัวยึดว่าถือดีนะถือตัวของเราเนี่ยที่ที่คำถามเนี่ยนะที่บอกว่าดื้อแล้วเราจะแก้อย่างไงแม้ดื้อในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะ อาตมาเคยพูดไปบ่อยแล้วคุณดื้อในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะถ้าคุณมาในสายธรรมะแล้วเนี่ยคุณดื้อในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีรับรองว่าคุณดื้อไม่ได้นานหรอกคุณดื้อไม่ได้มากหรอกคุณดื้อไม่ได้บ่อยหรอกเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่ยอมด้วยแล้วแม้แต่ตัวเราเองเราก็รู้ว่าอันเนี้ยเราไม่ค่อยถูกอ่ะเราไม่ค่อยดีอ่ะคุณจะดื้อยังไงเนี่ยมันจะมีตัวละอาย มันจะมีตัวเกรงกลัวอยู่เพราะเราก็เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยมันจะมีตัวพวกนี้เสียบแทงใจเราจะทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะดือ้อรั้นดันทุลังอะไรมากหรอกในที่สุดมันก็ต้องยอมลดอัตตามานะของตัวเองลงแต่ที่มันน่ากลัวแล้วที่เราเนี่ยจะพูดง่ายนะ้วบางทีเนี่ยมองไม่เห็นไม่เห็นตัวดื้อตัวนี้ของเราเลย คือเราจะคิดแต่ว่าเนี่ยเรายืนหยัดเราทำดีแล้วเราถูกแล้วเราจะยืนหยัดก็เพราะเราเนี่ยคิดเต็มร้อยเลยว่าไอ้ที่เราคิดอันเนี้ยมันมันดีกว่าจริงๆมันถูกต้องกว่าจริงๆคือเรามองไม่เห็นแง่ที่ว่าเราเนี่ยคิดแย่กว่าคิดไม่ดีกว่าคือคือมันมองจุดนั้นไม่ออกเลยมันเห็นแต่ดีถ่ายเดียวเท่านะั้นของตัวเองเะันถ้าอย่างนี้แหละมันจะ ดื้อลั้นมันจะดันทุลังแหละที่จะเอาอย่างนี้ให้ได้เพราะบางทีเนี่ยตายเป็นตายยอมแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยยอมเพื่อเพื่อธรรมะด้วยนะ เ, เหมือนกับเขาตายเพื่อชาติอ่ะอันนี้ยอมเลยยอมถวายชีวิตเพื่อธรรมะอมืแล้วก็จะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆด้วยซึ่งอันนี้อะถึงบอกว่าไม่ง่ายละเพราะคนหลงก็หลง แต่ถ้าคนไม่หลงเนี่ยมันก็จะพยายามดูอัตตามานะตัวนี้ของตัวเองเพราะฉะนั้น อ, อย่างในหลักสูตรมหัศจรร์นเนี่ยเขาจะมีอยู่ข้อ ม, มีบางข้อที่จะให้มองตนแล้วก็พยายามให้มองความผิดขอ ง, ของตัวเราเองคือต้องพยายามมองหาความผิดของตัวเองเนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าเราเนี่ยสามารถจะมองเห็นข้อบกพร่องมองเห็น ความผิดพลาดของตัวเองได้เนี่ยมันถ้ามันทําให้กิเลสอัตตามานะเนี่ยมันจะลดลงเพราะไอ้ที่เราเราจะหลงยืนหยัดอยู่ว่ามันดีมันถูกต้องเนี่ยเพราะเรามองไม่เห็นความบกพร่องหรือมองไม่เห็นว่าเรามีอะไรผิดตรงไหนเรามองเห็นแต่สิ่งที่ดีของตัวเราอะเพราะฉะนั้นมันไม่ลดหรอกเพราะฉะนนคนจะลดได้เนี่ยมันต้องเห็นตัวนี้ของตัวเอง นะหรือเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ส่วนตัวเพราะบางคนเนี่ยดื้อแล้วจะทําอย่างนี้ให้ได้เนี่ยเห็นแก่ส่วนตัวทั้งๆที่เพื่อนฝูงเนี่ยซึ่งก็เป็นหมู่มิตร ด, ดีสหายดีด้วยกันปฏิบัติทําด้วยกันเขาเขาเห็นดีต่างจากเราละแล้วเขาไม่เอาด้วยกับเราแต่เราก็ยังจะเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเราคนเดียวเนี่ยเป็นใหญ่ โดยที่เราไม่ยอมรับความคิดเห็นของหมู่กลุ่มเป็นใหญ่เนี่ยแม้อย่างเงี้ยถ้าใครคิดอยู่แต่อย่างนี้คิดอยู่แต่อย่างนี้มันลดอัตตามานะความจะเอาตามใจของตัวเองเนี่ยลงมาไม่ได้เพราะว่ามันจะเอาตนเป็นใหญ่เป็นใหญ่แบบอัตตามานะนะเนี่ยกิเลสมันซ้อนอยู่แต่ถ้าคนนี้เข้าใจว่าเออก็อยู่ในหมู่มิตีสหายดีพูดอย่างนี้นึกถึง อนายชนนะที่ตะหลังมาบวชเป็นพระเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละมีอัตตาาณะแบบเนี้ยดือ้อใครต่อใครบอกสอนใครต่อใครอะไรก็ไม่เชื่อฟังจนในที่สุดพระพุทธเจ้าเลยต้องลงพรมทันพระันนะคาว่าลงพรมทันก็คือว่ า, าภิกษุทั้งหมดนี่ไม่ต้อง บอกสอนไม่ต้องอะไรปล่อยเลยพระชนนะจะทํำยังไงปล่อยให้ท่านทําไปตามใจชอบท่านเลยก็ท่านอยากจะใหญ่แล้วท่านก็อยากที่จะทําอะไรตามใจตัวเองผู้เจ้าลงพรมมาทันคือคือลงทันแบบพระพรมลงนะแต่พรมมทันในที่นี้ปรากฏว่าลงไปแล้วนี่พอพระชนนะรู้ว่าผู้เจ้าลงพรมมทันรู้สึกว่าก่อนจะปฏิบัติหรือไงเงี่ยนะ ผู้เจ้าก็ลงพมมาทันโอ้โหพอพระชนนะรู้เท่านั้นเองโอ้โหร้องไห้เลยแต่ถ้าคนที่ไม่มีจิตที่ดีอยู่บ้างนะให้ลงพมมาทันแบบนี้เป็นไงโอ้โหหัวเราะใหญ่เลยดีใจเลยเพราะอะไรดีทีไม่ต้องมีใครมามาสอนไม่ต้องมีใครมาขวางฉันจะทําอะไรได้ตามใจชอบฉันเลยคราวนี้นี่คือคนที่พูดง่ายว่า ว่าหลงหลงอัตตามานะอันนี้ของตัวเองจนกระทั่งเรียกว่ามันไม่มีฮิลิไม่มีความระอายไม่มีความกลัวนะคิดแต่อัตตาของตัวเองเป็นใหญ่้นะ่ะอัตตาของหมู่กลุ่มนี่พูดง่ายๆว่าไม่มีความหมายอะไรในสายตาอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็ว่าถ้ามหมู่กลุ่มทําแบบนี้นะคือปล่อยเลยอท่านจะทำไงปล่อยให้ท่านทําท่านอยากจะพูดท่านอยากจะอะไรเรื่องของท่านไม่มีใครมาห้ามอีกต่อไป ไม่มีใครมาเตือนอีกต่อไปไม่ไม่มีใครมาสอนอีกต่อไปอยากจะพูอะไรพูดเลยเชิญ <c oughs> แล้วไม่มีใครจะมายุ่งด้วยแต่ถ้าฉันนะรู้ว่าโอ้โหนี่โดนลงพ ม, มทันอันนี้นี่โทษหนักนะอันนี้นี่โทษเรียกว่าอย่างหนักอย่างหนักของของการที่เรียกว่ายังไม่ได้หออกจากหมู่เท่านั้นเอง ยังให้อยู่กับหมู่แต่มันเหมือนกับขั้นสุดท้ายแล้วที่ลงพรมมาทัน่งเนี่ยพูดง่ายว่าว่าต้องให้พระพรมลงทันแล้วคือคือคือไม่มีใครจะมาลงทันได้แล้วต้องระดับพระพรมมาลงทันให้เพราะคนอื่นไม่มีใครกล้าลงทันให้แล้วเพราะนั้นคราวนี้เป็นผู้เจ้าเนี่ยลงพรมมาทันเองกับพระชันะโอโหปรากฏว่าคราวนี้พระชนะร้องห่มร้องไห้เสียใจ ข่าว น, นี้เลยยอมเลยข่าวนี้เลยยอมเลยคือแต่ก่อนเนี่ยคนเตือนคนสอนคนอบอกกล่าวท่านยังไงท่านไม่เชื่อท่านก็จะทําไปตามที่ท่านคิดว่าถูกที่ท่านคิดว่าดีท่านจะทําไปตามนั้นอคนอื่นจะยังไงท่านไม่นั่นเลยเพราะท่านถืออยางหลายอย่างว่าแม้ท่านก็พูดง่ายว่าอะไรนะสนิทกับ เ, เหมือนกับสนิทกับ เจ้าชายสิทธัตถะมกักรอะไรเงี้ยสนิทกับพระพุทธเจ้ามากงกรเคยใกล้ชิดเคยอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะท่านก็เลยมีมีกิเลสตัวถือตัวอะไรพวกนี้เนี่ยอยู่นะแล้วก็เลยถือถือดีในในสิ่งเหล่าเนี้แต่พอพระเจ้าลงพ ม, มาทานเองเนี่เศร้าใจเลยแล้วก็ตอนนี้เลยยอมเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนจตหลังถึงถึงค่อยลดลงได้ คนเราจะเป็นอย่างเงี้ยนะในในพระไตรปิฎกเนี่ยแม้แต่เรื่องของอัตตามาณอะไรต่างนี้มีเยอะมีไม่น้อยเลยในภิกษุที่หลายๆลายรูปที่มีกิเลสพวกเนี้ยนะยิ่งปฏิบัติ ด, ดีมาได้เนี่ยยิ่งเชื่อมั่นในความดีของตัวเองที่ดีมาได้จนกระทั่งหลงหลงว่าหลงในความดีของตัวเองเนี่ย จนกระทั่งกลายเป็นอะไรอะ่ะยกตนเหนือกว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ไปข่มคนอื่นนะแต่ยกตนเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นคือคำว่ายกตนเนี่ยอย่างหนึง่งกับการที่ข่มคนอื่นนี่มันอีกอย่างหนึง่งนะมันไม่เหมือนกันยกตนเนี่ยอาจจะไม่พูดข่มคนอื่นก็ได้แต่โดยจิตของตัวเองเนี่ยมันจะคิดอยู่เสมอเลยว่าคนอื่นเนี่ยต่ำกว่าเรา เพราะฉะนั้นถ้าต่ํากว่าเราเนี่ยเป็นไงความคิดเขาเหตุผลเขาหรืออะไรต่างๆมันก็สู้เราไม่ได้ทางนั้นเนี่ยเพราะว่าเราเราเรายกอันนี้ของเราไว้สูงกว่าอยู่แล้วว่าอั น, น, อ น, น, เ, น, นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่หลงหลงตัวเองแล้วก็ยกตัวเองไม่สูงเพราะฉะนั้นข่าเนี่ยต่อให้ใครมาพูดยังไงอะไรยังไงเราก็คิดว่าคนนั้นอะไรยังไงก็คิดสู้เราไม่ได้หรือพูดง่ายว่า เหตผลเขายังไงก็ตามก็ดีกว่าเราไม่ได้เพราะค น, นคนประเภทนี้เนี่ยคนอื่นสอนยากคนอื่นสอนยากจะแล้วก็จะไม่มีใครกล้าสอนด้วยเพราะชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยดีเหนือคนอื่นแล้วก็เพราะอย่างนี้แหละมันถึงไม่มีวิธีอื่นไงที่จะแก้เพราะนั้นคาว่าพรหมทันเนี่ย เป็นวิธีการแก้กิเลสตัวเนี้โดยเฉพาะเลยก็ในเมื่อหลงตัวดีนะแต่ะใช่ไหมจนกระทั่งใครต่อใครก็บอกสอนไม่ได้เพราะั้นเอาเลยถ้าแน่แล้วก็เอาเลยปล่อยเลยปล่อยเลยถ้าแน่จริงก็เอาเพราะว่าถ้าแน่จริงนะแล้วก็มีดีจริงปฏิบัติได้จริงเอาตัวรอดได้ถ้าดีจริงนะถ้าไม่ไม่ได้เป็นการหลงตัวนะปฏิบัติไปรอดได้แต่ถ้าไม่ดีจริง แล้วจะอยู่กับหมู่กลุ่มอย่างเงี้ยฟังดูดีดนะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยแต่อยู่กับหมู่กลุ่มแต่หลงตัวเองหลงว่าตัวเองเนี่ยใหญ่กว่าหมู่นะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ยอมรับฟังไม่เชื่อถือในความคิดเห็นของคนอื่นหรือไม่ยอมในความคิดเห็นของคนอื่นเขาถ้าอย่างเงี้ยไปไม่รอดถ้าไม่แน่จริงไปไม่รอดแล้วก็พังพราะพังในทันทีเลยนะโอ้โหวิบากจะหนักเลย เหมือนกับพ่อท่านเคยพูดถึงคนที่จะแยกตัวออกจากหมูเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าตัวเองเนี่ยแน่แล้วเชื่อว่าตัวเองดีแล้วพ่อท่านบอกว่าอันนี้ต้องพิสูจน์กันที่ความเป็นจริงถ้าคนนั้นเนี่ยเชื่อว่าตัวเองแน่กว่าหมู่จริงคือคื อ, ค, อคือหมูเนี่ยนะพูด ง, ง่ายๆว่าหมูเนี่ยทั้งหมู่เลยทั้งหมดเลยเนี่ยสู้คนนี้ไม่ได้คนที่เหนือกว่าจริงๆด้วยประการทั้งปวง ในพระไตรปิฎกเนี่ยจะเปรียบเหมือนกับช่างมาตังค์ที่ออกจากโคลงออกจากหมู่เนี่ยนะแล้วก็พอออกไปแล้วสามารถที่จะเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยสามารถไปสร้างหมู่สร้างกลุ่มที่ดีกว่ากลุ่มเดิมได้สําเร็จอย่างนี้แสดงว่าคนนี้ของจริงคนนีออ้อะไรอะ่ะมีดีเหนือกว่าหมู่ที่ตัวเองเคยอยู่จริงๆด้วย เป็นสัจจะอันนี้เป็นการยืนหยัดอันนี้ไม่ใช่เป็นการหลงตัวนะแล้วก็สําเร็จจริงเพราะว่าถ้าถ้ามีจริงมันมันจะทําออกมาแล้วมันจะได้จริงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกระชางมาตังคะ่ะแต่คราวนี้ถ้าปรากฏว่าแยกออกจากหมู่เก่าออกมานะลําพังเนี่ยถือว่าตัวเองแน่แล้วพอแยกออกมาเสร็จปรากฏว่าพยายามมาสร้างหมู่กลุ่มใหม่ก็สร้างได้เหมือนกัน แต่ปรากฏว่าหมู่กลุ่มใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยพิจารณาแล้วเอาม า, าตรวจสอบเอามาเทียบเทียบกันดูแล้วปรากฏว่าแย่กว่าหมู่กลุ่มเดิมที่มีอยู่ถ้าอย่างเงี้ยไม่จริงอย่างนี้แสดงว่าผู้นั้นนะ่ะหลงตัวเองอย่างนี้นะโดนวิบากกําหนักทันทีเลยเหมือนกับทําสังฆเพศเลยนะวิบากกราหนักทันทีเลย แต่ถ้าแยกออกไปได้สําเร็จแล้วทาได้ดีจริงโอ้โหเป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลไปเลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเครื่องวัดเหมือนกันซึ่งซึ่งซึ่งโดยเฉพาะยิ่งคนที่ที่เชื่อมั่นตัวเองแล้วหลงตัวเองว่าว่าว่าเก่งว่าดีว่าถูกต้องเนี่ยไม่รู้ตัวเองง่ายๆหรอกอันเนี้ยรู้ยากยากจริงๆอัตามาไม่รู้ว่าจะพูดยังไงจะอธิบายยังไงนะเพราะว่า เห็นตัวอย่างจากของจริงมาแล้วไม่ต้องเห็นจากอื่นไกลอ่ะเห็นจากสมณะของอโศกก็ตามเห็นมาแล้วเพราะว่าผู้ที่เชื่อมั่นอย่างนั้นอนะ่ะมีอยู่แล้วก็ออกจากหมู่ไปก็เห็นตัวอย่างอยู่เชื่อมั่นโอ้โหบางคนเนี่ยเชื่อมั่นมากเลยออกจากหมู่ไปพยาเหมือนกันนะจะไปสร้างหมู่ไ ป, ไ ป, ไปสร้างกลุ่มจะไปอะไรต่ออะไรแต<ล>่ทำไม่สำเร็จ ทำาไม่สำเร็จแล้วก็ไปไ ป, ไปมาๆก็ตอนหลังเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยเพราะหลังๆเนี่ยจะเห็นถึงความเสื่อมจะเห็นถึงความตกต่ำลงของผู้นั้นเองจะเห็นได้เลยเสื่อมจนบางคนเนี่ยโ อ, โ, โอ้โหนึกไม่ถึงว่าอะไรจะเสื่อมลงไปได้ขนาดนั้นมีตัวอย่างมาแล้ว ท, ทั้งที่ตอนที่อยู่กับหมู่อโศกเราเนี่ยนะโอโ้โ ห, หน่าเคารพน่าเลื่มใสจริงๆนะแล้วก็เราดูประพฤต การปฏิบัติก็โอ้ ก, ก็ว่าท่านก็แน่จริงนะอย่างนั้นเลยแต่นี่แหละของจริงมันจะเห็นชัดพอออกไปจากหมู่แล้วนะพอยามไปสร้างแล้วมันไม่เป็นเลยไม่เป็นอย่างนั้นแหละอันนี้อตาตมาถึงบอกโอ้โหเรื่องพวกนี้พูดยากอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของความดื้อรัน้นเนี่ยเรื่องของอัตตามานะอะไรพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องที่รู้ได้ยาก เพราะนั้นกิเลสตัวนี้เนี่ยมันถึงได้เป็นตัวที่อะไรเป็นตัวที่สามอะ่ะตัวที่หนึ่งเนี่ยเรื่องโทสะคุณจะเห็นได้ง่ายที่สุดก่อนนะเห็นทุกข์ก็ง่ายนะรู้ตัวก็ง่าย ถ, ถ้าถ้าเรามีเกิดขึ้นจะเรื่องกามก็ตามอ่าเห็นทุกข์ได้ยากกว่าโทสะอ่าเริ่มเริ่มรู้รู้ตัวได้ยากกว่าโทสะนะกามนี่รู้ตัวได้ยากกว่าโทสะอ่า ชักชักชกจะเห็นยากขึ้นมาหน่อยละเรื่องของกามแต่เรื่องมาหนะ้านี่ยากที่สุดยากที่สุดเลยเพราะมันบอกแล้วมันละเอียดมันไม่หยาบเหมือนโทสะมไม่หยาบเหมือนกามาสองอย่างนั้นนะ่ะยังไงก็ยังอยู่ในด้านที่เรียกว่าเห็นได้ง่ายอยู่แต่มาหน้านี่เห็นยากที่สุดเพราะคนเราเนี่ยมันทำดีแล้วมันก็ได้ดีจริงอนะ่ะดีนะมันของจริงนะ แต่คุณหลงดีได้คุณหลงดีนี่แหละหรือหรือเขาเรียกว่าติดดีเนี่ยคุณติดได้จริงๆเสร็จแล้วตอนนี้มันน่าติดไหมล่ะอ้อดีมันก็น่าติดซะด้วยทีเพราะว่าเราก็ยังจะต้องประพฤติ ป, ปฏิบัติให้ดีมากขึ้นใช่ไ้ยให้ดีสูงขึ้นไปเรื่อยๆอเพราะนั้นมันมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าบางทีเนี่ยมันมันต้องควบคู่ไปกันด้วยกันแต่ในขณะที่คุณเนี่ย คุณต้องติดดีแล้วคุณก็ต้องรักดีคุณก็ต้องชอบดีนะแล้วคุณก็ต้องลงมือทําดีนะแต่คุณจะระวังยังไงว่าอย่าหลงดี <c oughs> คุณอย่าหลงดีทั้งนั้นที่คุณต้องทําดีอยู่อย่างนั้นนะ่ยแต่คุณอย่าหลงอาตมาถึงบอกว่าพยายามคอยเตือนตัวเองอาตมาถึงถึงตะกี้เนี่ยพูดไปหน่อยหนึ่งว่าพยายามถามตัวเองว่าเราเนี่ยดีได้อย่างนี้เนี่ย คนอื่นเขาดีไม่ได้เหรอหรือคนอื่นเขาดีมากกว่าเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เหรอเราเนี่ยจะดีเหนือกว่าคนอื่นเขาอยู่เรื่อยเลยเหรอ